จะใช้วิธีการนับเป็นคู่หรือกำหนดเฉพาะรู้ลมเข้าลมออกก็ได้นะวัตถุประสงค์นั้นในการเจริญสตนะิเพื่อต้องการให้สติของเรามาอยู่กับปัจจุบันเพราะในระหว่างวันนั้นนะเรามีสติอยู่เหมือนกันในการทำการงานทั้งหลาย แต่สตินั้นยังไม่พอที่เราจะมารู้เห็นซึ่งธรรมะถ้าเราไม่มาฝึกมหาหัดแล้วนะสติเราก็จะออกไปนอกกายนอกใจไม่มีกำลังพอที่จะมารักษาจิตใจของเราให้เกิดความสงบและเกิดปัญญาได้พระฉนันพระพุทธเจ้าจึงมาสอนให้พวกเรานมีสติ พระองค์ส่งคนคว้าหาทางที่จะพ้นทุกจนพบผลทางแล้วเพียงแต่ว่าเรานั้นลงมือปฏิบัติก็จะพบกับความสุขพ้นจากความทุกข์ได้แต่สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นต้องสร้างบารมีเป็นบรมโพธิสัตว์น่าถึงเสียสงไขแสนกับบารมีเต็มแล้วจะมาตัดสรุป ส่วนสาวกนั้นเพียงแต่ว่าเรานํำมาคําสอนของพระเจ้าที่องค์ทรงแสดงและก็มาปฏิบัติตามเราก็รู้จะเห็นได้เห็นสาวกในสมัยอุตตการเป็นอย่รสาวกกรดีสาวกพระศิทธิสาวกกรดีหรือภาษาวกธรรมดาก็ดีการรุนสร้างบารมีมาแล้วทั้งนั้นเหมือนกันเราปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าให้มีสติ ยังมีสติอยู่ในร่างกายกระลมหายใจเข้าออกหรือพิจารณากายก้อนี้เป็นก้อนธาตุก้อนดินก้อนานา้าก้อนไฟก้อนลมอย่างนี้เป็นตน้นคือมีสติอยู่ในกายเรียกว่าสติพัฒนนะ์นะ่ะนะเมื่อเราจเจริญในอนาปานสติได้ดีแล้วสติตั้งมั่นได้ดีเนี่ยเราจะมาพิจารณาในกายก้อนนี้นะ อันทรงแห่งการจเจริญอนาปานสติก็จะทําให้การจเจริญในสติปัฏฐาน4นี้ได้สมบูรณ์สติปัฏฐาน4คือฐานที่ตั้งมั่นที่ระลึก4ประการมีกายมีวิทนาจิตธรรมเมื่อเราเระลึกได้อย่างดีแล้วจะทําให้พอดชมทั้งเจดของเราก็สมบูรณ์พอดชมทั้งเจีดจสมบูรณ์ดีแล้วนะก็จะเกิดมิชา เกิดปัญญาเกิดวิมุตตหลุดพ้นจากอสวกิเลได้เป็นการที่เรามานั่งสมาธิมากำหนดรู้ ล, ลมหายใจเข้าออกนะัญญามีสตินันลึกรู้อยู่ที่ลมนี่จึงมีอานิสงส์มากว่าเป็นการภาวนาใหม่บุญเกิดขึ้นจากการภาวนา บุญเกิดขึ้นจากการให้ทานทานวัดทานอมยบุญเกิดขึ้นจากการรักษาศีลียกว่าศิลละไม่บุญเกิดขึ้นจากการภาวนาก็เรียกว่าภาวนาไม่น่ะมีอันยงส่งมากทีเดียวบางทีเรารักษาศีลเราให้ทานก็ยังไม่มีศีลก็มีแต่เมื่อก่อนจะให้ทานเราสมทานศีล5้าน่ะศีลก็สมบูรณ์ในขณะที่ให้ทานนั้น เมื่อให้ทานสมบทานศีลแต่ว่าจิตนี้มันยังคิดนึกปรุงแต่งอยู่นะนั่งอยู่นี่ก็ฟังเสียงธรรมเทศอาจจะจิตคิดไปเรื่องอื่นแล้วก็ได้คิดมั่งไวมากนะคิดดีก็เป็นเรื่องของบุญคิดไม่ดีก็เป็นบาปนะหรือว่าไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปความคิดนี่มันแบ่งเป็น3ประการในความสังขาร น, นั่นแหละนะ เราก็จะต้องมีสติควบคุมใจว่าความคิดที่ดีเกิดขึ้นเราก็พูดดีทาดีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราก็ไม่พูดไม่ทำแล้วก็พยายามไม่ให้เกิดความคิดอย่างนั้นแล้วก็พยายามที่จะให้ความคิดอย่างนั้นมันดับไปนึกว่าเป็นทางใจ พปกามนี้เกิดขึ้นทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจเมื่อเราควบคุมกายวาจาได้ก็เป็นศีลส่วนทางใจนั้นเราก็ต้องควบคุมด้วยความการมีสตินะมาร ล, ลึกรู้อยู่โดยใช้สติมาดูว่าจิตของเราเป็นอย่างไรจิตของเราขณะ น, นี้มีความโลภไหมมีความโกรธหลงไหมความโลภโกรธหลงเกิดขึ้นได้อย่างไร จิตของเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็รู้จักความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่เกิดขึ้นได้อย่างไรเราก็รู้จักจิตของเรานั้นมีปิติมีสุขพีสมาธิมีธรรมะเกิดขึ้นเราก็รู้จักก็พิจารณาว่านะในจิตใจนี้นะ่ะมันมีทั้งสิ่งที่ดีไม่ดีเกิดขึ้นทั้งหมดก็เป็นธรรมะทางนั้นธรรมะฝ่ายบุญธรรมะฝ่ายบาปกิเลสก็เป็นธรรมะฝ่ายบาป มักก็เป็นธรรมะฝ่ายบุญสมาธิก็เป็นธรรมะฝ่ายเป็นที่เป็นบุญเราก็รู้จักว่าสิ่งทั้งหลายจะเป็นบุญเป็นบาปก็ตามเกิดขึ้นที่ใจเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ว่าเป็นเราของเราก็ไม่ได้จะว่าเป็นบุญจิตเราเป็นบุญจิตเราเป็นบาปก็ไม่ใช่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่อยู่ไม่มีอะไรเหลือเลยนี่ความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์นะเห็นไม สุขเวทนาเกิดขึ้นก็ไม่เหนจะอยู่นานความรู้สึกเป็นสุขเกิดขึ้นก็ให้เรารู้จักปกติแล้วความรู้สึกที่เป็นสุขเกิดขึ้นจิตก็หลงไปยิดว่าเป็นเราเป็นสุขแต่สุขนี้ก็มีมาต่เหตุแต่ปัจจัยความรู้สึกเป็นทุกข์เกิดขึ้นเราก็เข้าใจว่าความรู้สึกที่เป็นทุกข์นี้เป็นเราทุกข์นี้เป็นของของเรา ถ้าเป็นธรรมะแล้วสักแต่ว่าสุขสักแต่ว่าทุกความความรู้สึกเป็นสุขเกิดขึ้นเราปรารถนาได้ไหมถ้าความสุขนี้เป็นเราเราไม่ต้องการให้ความสุขนี้มันดับไปนะให้ความสุขนี้อยู่ตลอดไปเลยก็ไม่ได้นะทำทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ก็มีเหตุเป็นแดนเกิดเหมือนกัน นะหมดเหตุหมดปัจจัยทําทั้งหลายก็ดับไปความสุขความทุกข์นั้นก็ดับไปเรามีสติดูอยู่ก็จะรู้ว่าโอ้ความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์นี้ก็ไม่ใช่เรานะนี่ปัญญาก็จะเกิดเห็นสักแต่ว่าเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายก็ดีทางใจก็ดียันภาษาในบรเทร ะ, รระพักราสาวกเมืองขวาเป็นผู้เล่อในทางกตัยู เป็นผู้รอดทางมีปัญญานะฟังธรรมของท่านพระอาสชิเถระซึ่งสาเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วมีกิริยามารยาทงดงามมากในการบิณฑบาตในการสำรวมอายตนะมีรัศมีากายผ่องใสนะพระสาริบุตรนี้พูดเป็นผู้มีปัญญาเพียงสังเกตดูก็รู้แล้วว่าสมณนะองค์นี้รูปนี้ ต้องมีธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าท่านมีรัสมีผ่องใสน่าเริ่มใสศรัทธามากทั้งกิริยาท่าทางในการเดินบิณฑบาตนะเป็นผู้มีสำรวมเมื่อท่านทำภัฒกิจเสร็จเรียบร้อยท่านพระสารีบุตรก็เข้าไปสอบถามธรรมะของท่านออว่าท่านนั้นะใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านท่านชอบใจซึ่งธรรมะ ของใครครูบาอาจารย์สอนว่าอย่างไรถามไปเลยนะต้องมีมีครูมีอาจารย์แน่นอนและอาจารย์นั้นสอนอย่างไรท่านพาสจิเตระก็นะตอบแบบเป็นผู้อ่อนน้อมถม่อมตนนะั่นแหละว่าเรานี้เป็นผู้ที่เข้ามาในศาสนา น, นี้ยังไม่นานนะยังเข้ามาไม่นานนะนะเป็นผู้ใหม่ในพุทธศา ส, สนา น, นี้อยู่นะ พระพุทธเจ้าพระสมณะโกดมนั้นเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราก็เรานี้ยังแสดงธรรมะโดยพิสดารไม่ได้นะจะแสดงโดยพิสดารยังไม่ได้นะแต่พระสารีบุเทรานี้เป็นผู้มีปัญญามากศึกษามามากในศาสตร์ทั้งหลายนะก็บอกว่าไม่ต้องแสดงโดยพิสดารก็ได้แสดงโดยสังเขกก็พอแล้ว เพราะว่าท่านมีปัญญามากนะเพียงเน้นนำอุบายมาก็พอท่านพระสจิเทราก็จะแสดงโดยสังเขปว่าธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดพัฒธฐธาน ก, ก็ตับทั้งเหตุของธรรมทั้งหลายนั้นและความดับไปของธรรมทั้งหลายเพียงเท่านี้นี่สังเขปภาษาดุษฎีสมัยนั้นเป็นปริภาชกอยู่ฟังแค่นี้เองว่าธรรมทั้งหลาย มีเหตุเป็นแด่นเกิดท่านก็แตกฉานอยู่แล้วคําว่าธรรมทั้งหลายก็คือความสุขความทุกข์บุญก็ดีบาปก็ดีนะกุศลอกุศ ล, ศลก็เป็นธรรมดังนั้นเลยนะรูปประธรรมร่างกายนี้นมามประธรรมในความรู้สึกที่เห็นได้ยินสัญญาความจําได้ไหมายรูนะ้สังขารความปรงุงแต่งเวทนาความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ในส่วนของนามแล้วก็รูปนามนี้ ก็เป็นธรรมทั้งหมดมีเหตุเป็นแดนเกิดเมื่อมีเหตุมีปัจจัยก็เกิดขึ้นหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับลงไปหาตัวหาตนไม่ได้ท่านก็เข้าใจชัดเลยโอ้ไม่มีตัวไม่มีตนปัญญาท่านเกิดขึ้นมาโสดาปนิมภครวมขึ้นมาโสดาปนิพนธ์เกิด ข, ขึ้นขนาดนั้นเป็นพระยาบุคคลในทางพุทธศาสนาเห็นไหมคือเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าแล้วในใจของท่านนะ จึงถามพระสัจจีเรวะว่าภาษาสดาของเรานี่อยู่ที่ไหนนี่ท่านยังไม่ได้ไปเห็นพระพุทธเจ้าเลยเป็นรูปนะรูปรูปกายของพระพุทธเจ้าท่านยังไม่ได้เห็นนะแต่ท่านเห็นธรรมะแล้วเห็นพระพุทธเจ้าในใจแล้วนับถือพระพุทธเจ้านั่นเป็นภาษาสดาแล้วในใจเต็มหัวใจแล้วยังไม่ได้ไปเห็นรูปกายของพระพุทธเจ้าล่ะแต่เห็นธรรมะก็เห็นธรรม พอดายินทำก็เห็นเราตถาคตเนี่ยเจ้าตัดอย่างนี้จึงถามพระอัจิเทรว่าพระสสดาของเราประทับอยู่ที่ไหนท่านพระสัสจิเทรวก็ตอบว่าประทับอยู่นะนะเวรุวันนะที่พระเจ้าพิมิสารถวายแขงกรุงราชคืออนะนะันแหละแมกฏพระสาในบุนี้บ้านท่านก็อยู่นารันทาทีใกล้ๆ ก, กับวัดเวรุวันนะั่นแะแต่ท่านสแสวงหาธรรมะนะ วความหลุดพ้นนี่นะแสวงหาไปไกลามากทีเดียวในชมพูทวีปก็ยังไม่พบพร้อมกับเพื่อนของท่านคือพระหมาโมกคราณะเถระก็ยังไม่พบหรือไม่เห็นธรรมอันนี้เมื่อท่านเห็นธรรมแล้วนี่ท่านเป็นผู้ที่มีสัญญาไว้กับเพื่อนว่าบุคคลใดเห็นธรรมก่อนแล้วต้องมาบอกกันก่อนนะคำมั่นสัญญานี้สร้างสมอบรมกันมานานแล้ว พอเป็นอัคคลสาวกนะบรมียานถึงพร้อมกันออกบวชก็เห็นโทษพร้อมกันในวันเดียวกันเมื่อมาบวชพอเป็นพริพาชกแล้วนี่ก็มีสัญญากันไว้พระสารีบุตรก็ยังจะไปฟ้าพระเจ้าไปได้ต้องนำธรรมะอันนี้ไปบอกเพื่อนก่อนเมื่อ น, นำธรรมะไปบอกกับเพื่อนเท่านั้นเองท่านมหคระณะ ก็ได้ดวงตาเห็นทำเหมือนกันเห็นไหมอันนี้ท่านสร้างสาวกมรมยยันมาเต็มแล้วว่าธรรมะทั้งหลายได้มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมทั้งนั้นนะสิ่งใดที่ไม่เป็นธรรมไม่มีเราก็พิจารณาที่ว่าสิ่งที่เรามีความรู้สึกอยู่นี่ที่ว่าเรามีความสุขมากเที่ยงไหมไม่เที่ยงทุกมากเคยทุกก็ไม่เที่ยงอีก ควรู้สึกยินดียินร้ายก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่เป็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้เราก็ต้องละสิ่งที่เป็นบาปบุญแม้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็พยายามทําบุญเอาไว้แล้วก็พยายามภาวนาแม้แต่ว่าสมาธิยังมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันเรื่องของสมาธิเราก็ต้องพยายามปฏิบัติไว้แต่เมื่อปัญญาเกิดขึ้นรู้เห็นตามเป็นจริงแล้ว วารูปนามเป็นอนิจังทุกขังอนัตตานี่นะก็เรียกว่าเราก็จะอยู่เหนือโรคเรียกว่าโลกกุตตะละซึ่งโลคกุตตะะนี้ก็จะไม่เสื่อมจะคงอยู่ในจิตใจของเราตลอดไปก็เป็นความสุขแต่ถ้า ร, ระดับระดับไปจนถึงนิพพานเป็นความสุขที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะเรียกว่าเป็นความสุขที่ไม่เกี่ยวข้องกับโลค ความสุขนี้เป็นความสุขที่รู้จักโลกตามความเป็นจริงว่าโลกทั้งโลกนี้ก็เป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาวัตถุสิ่งของในโลกก็เป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นหาสาระหาแก่นสารไม่ได้ถ้าเรายังยึดถือสิ่งใดอยู่ก็เป็นเหตุให้เกิดความทุก์จิตใจเราจะพ้นจากความทุก์ได้เราก็จะต้องถอนอุปท า, านความยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นั่นเอง นีน่นะกรับจิตของเราเข้าสู่โลกุตระเพราะฉะนั้นเมื่อเราเพิพฤติปฏิบัติเริ่มต้นตั้งแต่การทำบุญให้ทานสมทานศีลภาวนาการภาวนาใหม่ยิ่งเมียนี่สงมากเาะจระความโลภโกรธหลงในใจของเราไปได้ทำความเห็นของเราให้ตรงจนเราเห็นธรรมะเห็นพระพุทธเจ้าในใจของเรานั่นเองก็เรามันศึกษามันปฏิบัติหาโอกาสหาเวลาปฏิบัติภาวนา นะจะเป็น2วัน3คืนก็ตามนะก็พยายามปฏิบัติภาวนาของเราให้มากเรากลับไปบ้านแล้วก็ต้องภาวนาการภาวนาก็คือการมีสติดูจิตของเรานี้แหละว่าเป็นอย่างไรนะรักษาจิตใจของเราไว้ให้ดีผู้ดใดตามรักษาจิตของตนปุณณนั้นก็จะพ้นจากบ่วงของมารก็ขอให้เราพยายามศึกษาและปฏิบัติพาใจของเราให้มีความสุขปราศจากความทุกข์ มีดวงตายให้ทำตุกกันทุกทุ ก, ท, กท่านเถิน